เรื่องพระฉับพักคีประพฤติไม่เหมาะสมสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักคีประพฤติไม่เหมาะสมเห็นป่านนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างให้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ําเองบ้างใช้ผู้อื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้าง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 นอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารีสะพายของตระกูลธาตุหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในเวลาวิการบ้างดื่มน้าเหมาบ้างทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้บ้างฟอนรำบ้างขับร้องบ้าง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 เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้างเล่นรถน้อยๆบ้างเล่นธนูน้อยๆบ้างเล่นเขียนทายบ้างเล่นทายใจบ้างเล่นเลียนคนพิการบ้างหัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้างหัดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผลัดช้างบ้างวิ่งผลัดม้าบ้าง วิ่งพลัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้างวิ่งเปรี้ยวบ้างผิวปากบ้างปรบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกมวยบ้างปูลาดผ้าสังขติท่ามกลางเวทีเต้นรำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนรำในที่นี้ดังนี้แล้วให้การคำนับบ้าง